บุกท <Book> ูสามตีนนการทำความรู้จักปริเชยอรปริเชอรสวัสดีค่ะนสคาน้ำสการ สวัส ด, ดีค่ะน้ามศกา ร, ส, การสบายดีไหมคะอพันต์เกษตทอพนเกัคุณมาจากายุโรปใช่ไหมคะัยุโรหุाอะไรฮัทะอพันต์ยุโรปหุนอะไรฮัทกะอพันต์ยโปหุนอัะ อพนยุोรปหนอาเลียหัดกคุณมาจากอเมริกาใช่ไหมคะอพันอเมริกาหุนอาเลียหัดกะอพันอ क े ह ิกาหุนัดกเมิกาหุนอาเลียหัดกะอพันอเมริกาหุคุณมาจากเอเชียใช่ไหมคะอพันอาเ อพันอาชีห uh ุนอะไหคันุคุคุณพักอยู่โรงแรมอะไรคะอพัายวราหิลอาหาตคลมาลหันอลหัคุณอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้วคะ आपल्याला इथे य ेย न किती दिवस ดा ल ेนสั्งाล่อพेัลล่าอิทธิยุ่งคิคุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไรคะอพันธ์อค่ดีวันสั่งเล่อพันธ์ाิทธิคคุณชอบที่นี่ไหมคะ आपल्याला इथे आवड ल ัดลัก้าอพยัลล่าอิทธ คุณมาพักผ่อนที่นี่ใช่ไหมคะปนิธิส स ต ट ิสัตा์อाาाาตाะปนิธิสุตติ ट ั ट ाย์อเลยาฮาตाะปนิธิสुตติ ट ัตย์อลาฮาตกะปนิธิสุตติสัตย์ीเลยาฮาตกะมาเยี่ยมดีฉันบ้างนะคะ क รุปยาปนคดีตารียกุณมาลาเบตากรุปยาปนคดีीารียก ल ा भेटा นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะฮะมาจาปตาเฮฮะมาจปตาเหเราพบกันพรุ่งนี้ดีไหมคะอปันเอกเมกันนาอุดยาเบทุยาค่ะเอกันนาอุดยาเุยค่ะขอโทษนะคะพรุ่งนี้ดิฉันไม่ว่างมาฟ कर ครับมีอโกดรสกับให้กา र กรรมทารุลยาห माफ करा म ी अगोदर च काही कार्यक्रम ठ र व ल या है ल ा क ौ न ख ा बर आहे ये तो आता बर आहे ये तो आता ल ा क ौ न ख ा नमस्कार ये तो आता पुनः ् भेटूया नमस्कार ये तो आता पुनः भेटूया लायक पब्ब कन ना का लवकरज भेटुया।, लवकरज भेटुया।